พรหมมจจลูกาท่ปติสหมปติกาตัญชริอันที่วรังอายะจทา สันติท่าสันตาปาราชักคาชาติกาเทเสตุทัมมังอนุกามปิมังปะชัง อรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมทัสสะอะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามสมามีขอเจริญพรอ่ายอดโยทุกท่านใหม่มาถึงใช่ไหม ทางผู้จัดนิ ม, มนต์อยากจะให้ตมามาบรรยายเรื่องมรณะสติ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 อาจจะเริ่มตั้งแต่วัยเด็กหรือว่าเมื่อเราอยู่ในที่อยู่เรียนอยู่โรงเรียนนะแต่คำถามอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยหรือไม่เคยอยู่ในความคิดของเราเลยทั้งทั้งที่มันเป็นความจริงอย่างแน่นอนอะไรที่ทำให้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 ไม่เคยคาดว่าจะประสบพบเห็นมาก่อนหลายคนเมื่อความตายใกล้ามาถึงเขาก็หันมาคืนดีกับผู้คนที่เคยบาดหมางซึ่งคนที่บาดมางนงอาจจะเป็นคนใกล้อาจจะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่น้อง เป็นคู่รักเป็นสามีภรรยาความตายก็สามารถจะเป็นสะพานเชื่อมคนรักให้คืนดีกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองความตายด้วยใจที่ใครครวนด้วยสติด้วยปัญญา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 ร่างกายถูกบีบคั้นด้วยทุกขเวทนาในขณะที่ความตายเข้ามาประชิด ต, ตัวหลายท่านเนี่ยสามารถจะบรรลุธรรมได้อย่างเช่นพระเจ้าสุโธธนะซึ่งก่อนที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยเจ็บปวดมากนะจงร่างผู้เจ้านี่ต้องมาต้องมาทำเรียกว่าสัตยาธิสถานเพื่อช่วยบรรเทาความปวด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 ก่อนที่จะสิ้นลมไม่นานเลยพระติสะซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแ ม, ม้กระทั่งพระด้วยกันก็ไม่อยากจะเข้าไปพยาบาลเพราะว่าแผลผู้พองเต็มตัวน้องเปรอะเลอะเทอะจนรทั่งผู้เจ้าต้องมาพยาบาลแต่ว่าพระองค์ได้ช่วยพยาบาลเยียวยาเช็ดตัวนะ จิวสักจิวอนดูแลนะให้ทุกขเวทนาเบาบางตอนนั้นเนี่ยพระติสาก็อาการก็หนักแต่พระองค์ได้ปารภธรรมไม่กี่ประโยคพระติสาก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขนาดเดียวกับที่หมดลมนะ พนางสมาวดีถูกไฟคลอกตายในปราสาทร่างกายดำเป็นตอตะโกแต่พู้เจ้าได้ตรัสว่าก่อนที่นางจะตายเนี่ยก็ได้เป็นระอนาคามีขณะที่บริษัทบริวานอีกนับร้อยในตำรา ก, ก็ว่ามีถึง500ยที่ตายไปได้วยกันก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูง เป็นพโสดาบันบ้างเป็นพระสกิจทาคามีบ้างที่เขาอุบาสกนะป่วยหนักนะแต่ว่าเมื่อมีพระสงฆ์นะพระสาวกได้มาได้มาได้มานำทางได้มาเตือนให้เราลึกถึงพระตนาตายัยเราลึกถึงความดี หรือศีลที่ได้ทำที่เรียกว่าอริยการตศีลศีลที่พระิยเจ้าสรรเสริญแล้วก็ได้นําทางให้จิตใจละวางบอกว่าพอสิ้นลมผู้เจ้าพยากรว่าท่านได้เป็นอนาคามีจะมีตัวอย่างเยอะนะของของคนที่บรรลุธรรมในขณะที่กาลังจะตายบางท่านถึงกับหมดหวังอะไรหมดอะไรตายอย่างในชีวิต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 เลื่อนระดับขึ้นสู่อริยภูมิได้นะหรืออาจจะแม้จะไปไม่ถึงขั้นนั้นก็ไปสู่สุคติภูมิได้อัตมาถึงถึงได้กล่าวว่าความตายนนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิกฤตอย่างเดียวแต่เป็นโอกาสด้วยมเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ย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 ของเราใจเราเนี่ยจึงน่ากลั ว, วความตายนะโดยเพราะใจที่วางไว้ไม่ถูกต้องจะน่ากลัวก ว, กว่าความตายมากเวลามีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดของอตัตมาซึ่งเป็นวัดป่านะหลายคนเป็นคนเมืองต้องไปอยู่ในกุฏิคนเดียวที่แวดล้อมไปด้วยป่า สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าด้วยซ้ำหลายคนก็ไม่กล้าไม่อยากไปอยู่กุฏิคนเดียวถามว่าทำไมถึงไม่ไปเขาบอกเขากลัวกลัวอะไรกลัวผีกลัวสิงสาราศรอาตอมาก็บอกว่าในป่าเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่มีใครเคยถูกงูกัดนะมีเท่าที่ประวัติ ต, ตั้งวัดมาสามสิบสี่ปีก็มีคนเดียวที่ถูกงู ก, กัดแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากไม่มีอะไรที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือใจของเรานั่นแหละใจของเราเนั่นแหละน่ากลัวที่สุดเพราะใจเราันั่นแหละจะปรุงแต่งใบไม้ตกกิ่งไม้หักก็คิดว่ามีผีมีสัตว์ร้ายมาหลอก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 บ่อยครั้งเราไม่ได้ทําด้วยสติปัญญาเราทําด้วยแรงขับเคลื่อนของอารมณ์เราทําด้วยความกลัวเราทําด้วยความอยากเราทําด้วยความความโกรธนะการที่เราเกิดจิตที่วันไหวเมื่อเราลึกถึงความตายสงสารลูกอาลัยพ่อแม่ ก็ทำให้เราเนี่ยเล่งขวนขวายทำหน้าที่ต่อท่านต่อลูกนะที่เคยใช้เวลาไปกับการทามาหากินการเชื่อเตก็จะเกิดสติขึ้นมาแล้วก็ตั้งหลักได้หันมาให้เวลากับลูกพูดคุยให้คำแนะนำคำสอนเพื่อทำให้ลูกเนี่ย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 แล้วเกิดว่าขณะที่เขากลงจะตายอยู่แล้วเนี่ยเขากลับมามีลมหายใจขึ้นมาใหม่แล้วก็มีเวลาอีกสามวันเนี่ยเขาจะทำอะไรส่วนใหญ่จะพูดคล้ายๆกันกลับไปหาพ่อไปขอขมาเพื่อนปฏิบัติธรรมไปบวชนะมีบ้างที่บอกว่าจะไปกินอาหารร้านอร่อยครั้งสุดท้าย นะแต่นั่นเป็นเด็กๆนะวัยวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะบอกเนี่ยนะจะเข้าวัดจะไปทำบุญจะไปขอขอมาพ่อแม่คนหรือคนที่ผิดใจกันทุกคนจะพูดคลายกันคำถามก็คือว่าทำไมคุณต้องรอสามวันก่อนจะตายทำไมคุณไม่ต้องไปทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะคุณไม่รู้จริงๆเลยว่า ในชีวิตจริงคุณมีเวลาสามวันคุณจะรู้ว่าคุณจะมีเวลาล่วงหน้าสามวันก่อนตายหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะฮะทำไมไม่ทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้หลายคนก็บอกว่าที่ไม่ไทำแต่เดี๋ยวนี้เพราะมันมีอย่างมันมีอย่างโ น, น้นมันมีอย่างนี้มีงานการมีอะไรอะไ ร, ะไรต้องหลายอย่างที่ทาให้ไม่สามารถจะทำอย่างที่ว่าได้หรือคิดว่ายังมีเวลา ไอ้ความความิดที่ว่ายังมีเวลาเนี่ยยังไม่ต้องรีบทำก็ได้นะขอเข้ามาก็าไว้ก่อนเรื่องพ่อหรือแม่ก็ไว้ก่อนนี่คือความประมาทนะมีพิธีกรชื่อดังคนหนึ่งนะฮะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อพบว่าตัวงนี้เป็นมะเร็งนะอาการก็อาการหนักเรื่อยๆ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 วางมือแล้วก็จะมาให้เวลากับครอบครัวลูกซึ่งกําลังลูก2คนลูกสาวลูกชายที่กําลังโตก็จะไม่ให้เวลากับลู ก, กเพราะว่าเามาได้แค่10กว่าปีเนี่ยก็ทํางานหนักมากเขาเป็นคนที่ nice, นะิสเป็นคนที่นุ่มนวลแต่เขาเครียดกับงานการเขาทาได้สิบกว่ปีมาเลงก็ถามหาเขาก็กลายเป็นว่าไอ้ที่คิดว่าจะทําให้ถึง20ปีก็ทําไม่ได้ เพราะว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ทำงานหนักไม่ได้แล้วและที่หวังว่าเมื่อครบยี่สิบปีแล้วจะได้มีเวลาเต็มที่กับลูกก็เป็นอันว่าทำไม่ได้เพราะเขากาลังจะตายเขาบอกว่าถ้าเขามีเวลาถ้าเขามีเวลาเหลืออยู่มากกว่านี้เขาขอเวลาที่จะอยู่กับลูกเพราะเขาแทบไม่ได้อยู่กับลูกเลยตอนตอนที่เขาทำงานหาลูกหาข้ามมาสิกกว่าปีเนี่ยคือเขาเขาคิดอย่งว่าเรื่องลูกนี่เอาไว้ก่อนไง เพราะว่ายังมีเวลาตอนนีนะ้ต้องรีบทํางานแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้เกิดเฉลียวใจหรือตระหนักว่าความตายมันไม่แน่นะใครก็ตามที่เราลึกถึงตรงนี้เนี่ยก็ย่อมจะเกิดสติถ้ารืลึกจริงๆนะไม่ใช่แค่รืลึกในสมองนะแต่ว่ารู้สึกตระหนักจริงๆด้วยอารมณ์ด้วยก็จะรู้เลยว่าการที่ไปคิดว่า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 ว่าความตายจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราถามตัวเองว่าเราทาหน้าที่ที่ที่สมควรทำได้เสร็จสิ้นหรื อ, อยังเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความกระตือรือลน้นเรียกว่าเกิดความขนไควในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนานตสตรีทำให้เราขนขวควในสิ่งที่เราชอบผัดผและสิ่งที่เราชอบผัดผอนเนี่ยหลายอย่างเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ทำไมเราผัดผ่อนเพราะมันไม่มีเส้นตาย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 นะแล้วเราก็จะทําในสิ่งที่สําคัญแม้ว่าจะไม่มีเส้นตายงนั้นคุณประโยชน์อย่างแรกของการเจริญมรรนสติก็คือว่าทําให้เราขนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนและประการต่อมาเนี่ยมันช่วยทําให้เราปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติดอย่างที่อาตมาได้ได้พูดเมื่อกี้นี้ว่า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 ถ้าเราในขณะที่เราจะตายเนี่ยยังมีเรื่องค้างคายังมีเรื่องห่วงกังวลยังมีเรื่องที่ติดยึดอยู่เนี่ยมันก็ไปไม่สงบแต่คนเรามีอะไรที่ต้องติดยึดล่ะนะก็มีทรัพย์สมบัติมีลูกมีพ่อแม่มีคนรักเป็นต้นเมื่อเราเลืกถึงความตายหลายคนจะทําใจไม่ได้เมื่อเราเลืก ว, ลเเเลกว่าจะต้องจากลูกจากคนรักไปแต่ถ้าจะต้องตายจริงๆเนี่ย ไอ้ความอาลัยความเสียใจยมันไม่เคยมันไม่ช่วยอะไรเลยเพราะอาลัยแค่ไหนเสียใจขนะก็ไม่ช่วยทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากความตายได้มันมีแต่อย่างเดียวคือว่าจะต้องวางทาใจหรือว่าตัดใจในเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะวางทุกอย่างเมื่อคนที่จะเดินทางไกลนะเราจะจะไม่แบกสัมภาระมากเมื่อเราล่ำลาผู้คนเรียบร้อยแล้วเราก็ ไปด้วยใจที่เบาสบายแต่คนจำนวนมากไม่สามารถจะไปด้วยใจที่โปร่งเบาสบายได้เพราะเขายึดติดกับสิ่งต่างๆมากเหลือเกินเขายึดติดทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็ยึดติดในขณะที่เขากาลังจะตายเขาปล่อยวางไม่ได้การปล่อยวางเป็นสิ่งต้องต้องฝึกนะคร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 รวมทั้งการพูดให้รู้ให้ลูกรู้ว่าแม่นี่หรือพ่อนี่อาจจะอยู่กับลูกได้ไม่นานนะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนถ้าลูกยอมรับเข้าใจเรื่องความตายลูกไม่ทุกข์เมื่อแม่ต้องจากไปแม่ก็สบายใจแม่ก็ปล่อยวางได้นะเพราะฉะ น, นี้การจรุลมอนนสติเนี่ยนะ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 บอกว่าไอ้ที่ตาค้างอยู่เป็ น, ปนคืนนะ่ะตั้งตายสามทุ่มเจ็ดโมงเช้ายังไม่ยังไม่ปิดเนี่ยพอจุดทูบแล้วเนี่ยปิดตาก็ปิดได้สนิทบางคนตาค้างนะพอรู้สึกผิดที่ได้ทำไม่ดีกับเพื่อรุ่นน้องพอเข้ามาเยี่ยมก็รวบรวมกำลังเนียขอโทษ ที่ไปเข้าใจาผิดว่าเขาเ ป, เป็นกิ๊กกับแฟนทำไม่ดีกับเขากลั่นแกล้งเขาแล้วก็มาลู้ความจริงว่าไม่ได้มีอะไรกันเลยแต่ตายก็ยังตายไม่ได้เพราะยังรู้สึกผิดตอนที่ได้เห็นหน้าของรุ่นน้องคนนั้นแกก็รวบรวมกล้ารวบรวมกำลังนขอโทษอีกฝ่ายก็ให้อภัยบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลย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 ในวันธรรมดาในชีวิตปกติเราก็ยังปล่อยเราปล่อยไม่ได้เราก็ยึดเอาไว้เราจึงกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาเวลาเราโกรธเวลาเราเกลียดแต่ถ้าเราปล่อยไม่ได้เนี่ยถ้าเราตายตอนนั้นเราก็ไปสู่อบายเมื่อนักสติมันเตือนให้เราเนี่ยเราลึกว่าคุณต้องปล่อยนะไอความโกรธความเกลียดเนี่ยพ่าถ้าคนไม่ปล่อยเนี่ยนะถ้าตายตอนนั้นก็มีนรกเป็นเป็นที่สุด การระลึกคิกชเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้ใจเนี่ยปล่อยวางง่ายขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยที่โกรธทะเลาะกับเพื่อนมาแล้วก็โมโหฉุนเฉียวบางทีมันก็ไม่เป็นเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่โกรธโมโหมากแต่พอมาระลึกได้ว่าเฮ้ยไม่นานเราก็ต้องตายนะคนเราพอเราลึกว่าจะต้องตายขึ้นมาเนี่ย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 การรู้ลความตามมันช่วยทำให้เราวางสิ่งที่มันกินใจทิ่มแทงใจเราได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราชอบยึดติดนะเราเกลียดอะไรเรายิ่งชอบยึดชอบติดนะลองสังเกตดูเราเกลียดใครเนี่ยเราก็ยิ่งคิดถึงคนนั้นมีงานเลี้ยงคนเป็นร้อยแต่ถ้าเกิดคนที่เราเกลียดเนี่ยเดินเข้ามาในห้องนั้นเนี่ย าเราจะไปปักอยู่ตรงนั้นเลยถึงคนคนนั้นเลยเขาจะเดินไปไหนเราก็ส่อสายดูเขาเราคุยกับเพื่อนเสร็จแล้วเราก็หันไปมองเขาอีกแล้วมองก็เป็นทุก่งนะแต่ทำไมมองมันมีแรงดึงดูดมันมีความยึดติดยิ่งเกลียดในใจนึงก็ยิ่งผลักใสแต่ใจนึงก็ไปกอดเอาไว้มีคนหนึ่งเนี่ยนะแกเป็นเชียร์เสื้อเหลืองนะไม่ชอบน้องสาวที่ชอบดูโทรทัศน์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 ความโกรธความเกีียดเราด้นเนี่ยจะมันจะฉุดฉุดใจไปสู่อบายนะเวลาเราโกรธใครสักคนเนี่ยเวลาเรามีความไม่พอใจกับอะไรสักอย่างมีปัญหาเรื่องงานเรื่องการรู้สึกงานล้มเหลวรู้สึกรู้สึกเป็นทุกข์กับคำตำหนิ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 ในความรู้สึกของคนทั่วไปอยู่แล้วนะแต่อย่างที่ตมาบอกคือคนร้อนเนี่มักจะอยู่แบบลืมตายแล้วก็เลยไปติดใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเป็นทุกข์กับเรื่องหาที่จอดรถรถติดนะมีคนหนึ่งเขาบอกนักเขียนมริกันเขาบอกตายไม่ยากหาที่จอดรถแต่ยากกว่า พูดด้วยความประมาทนะถึงเวาลาตายจริงก็จะรู้ว่าเรื่องหาที่จอดรถไม่ได้นี่เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากแต่เราก็เป็นทุกข์กับเรื่องแบบนี้แหละคนสมัยใหม่นะคู้รองนึกถึงความตายอยากรู้เลยว่าโอ้ไอ้พวกนี้มันจิ๊บจอยเป็นสิวผิวแห้งผมแตกป้านี่ไม่มีความหมายเลยใช่ไหมมันวางได้แต่เราวางไม่ได้นะฮะเพราะเราไปอยู่กับเรื่องที่มันเป็นเรื่องจิ๊บจอยมากเกินไปเราลืมเรื่อง ส, สิ่งที่เป็นสาระสำคัญของชีวิตเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ๆของชีวิต แล้วเรื่องก็คือเรื่องความตายนะพอเราเลิกถึงนี่อะไรอะนี่มันมันเบาไปหมดเลยมีพระท่านหนึ่งท่านหนึ่งเขียนไว้ไงว่าเราเลิกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันตรการทําให้หานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจเราลึกถึงความตายสบายนะโอ้พอเราลึกแล้วมันมันเบามันไม่ใช่หดหูนะฮะมันมันทำให้เราปล่อยวางไปได้เยอะเลย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 ถาราพิจารณาถูวิธีเนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยโปร่งเบาช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมันช่วยทําให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ทําให้เราหดหูน้อยลงเลยไม่ใช่ช่วยทําให้เราหดหูมากขึ้นเลยนะคนี้ถามว่ามรณาสติทําอย่างไรนะประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมรณาสติทําอย่างไรมันทําได้หลายอย่าง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 ตอนที่เร้ถึงความตายเช่นพิจารณา ว, ว่าสัพเพสังขารานิจาร์ไม่มีบทสวดมนต์ใช่ไหมฮะบทพิจารณาสังขารนว่าสเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรม น, นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปพิจารณาแบบนี้ก็ดีนะฮะแต่ว่าบางทีพอทําไปนานๆเนี่ยก็จะชินชาอาตมาคิดบางทีเราต้องต้อง จดจำนัสติคล้ายๆแบบที่เรียกว่าซ้อมตายดูบ้างซ้อมตายมันก็เมื่อเรานอนนอนแล้วเราพิพจารณามันก็ว่าเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปคืนนี้นะถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าการจินต Kag ของเรารมันทำให้เราเรียกว่าอินนะใช่ว่าอินอินเข้าไปกับกับสิ่งที่าจินต Kag าาเนี่ย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 ตายวายก็ฟอกตายเนี่ยมาเป็นสิบปีก่อนที่จะตายเนี่ยหลายเดือนทีเดียวนะก็บอกลูกๆว่าขอให้ทาพิไนกรรมลูกบอกจะทำอย่าพึ่ง อ, อ, อ, อย่าไม่ต้องพูดเรื่องนี้มันไม่ดีเป็นอัประมงคลนะลูกไม่ยอมนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพ่อไปล้างไตเนี่ยก็บอกว่าเกิดช็อกขึ้นมาตอนที่ยังพอมีสติรู้ตัวเนี้ยบอกว่าขอกลับบ้าน ขอไปตายที่บ้านลูกไม่ยอมต้องการยือ้อแต่ยื้อได้แค่สองสาวันก็ตายคนเขาเล่านะว่าตอนที่ตอนที่แกตา ย, ยแกน่านิคิวขอมวดนะไม่มีความสุขเลยแล้วก็เชื่อกันว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพี่นายกรรมยังไม่ได้ทำเป็นห่วงพี่นายกรรม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 ที่เราเคยประดิษฐ์ประดอยนะปรุงแต่งร่างกายเนี่ยมันช่วยปล่อยวางได้นี่เป็นตัวอย่างนะฮะว่าการพิจารณาการเกรมอนสติเนี่ยด้วยการซ้อมตายเนี่ยเราเราทำได้หลายอย่างนะทำให้พิจารณาว่าถ้าจะตายต้องจากลูกจากคนลักไปรู้สึกอย่างไรหรือพิจารณาว่าถ้าเราจะตายแล้วอยากเราเราอยากให้เพื่อนเนี่ยพูดถึงเราอย่างไร แล้วเราได้ทำความดีอย่างที่เขาควรจะชื่นชมสรรเสริญเราหรือเปล่าหรือว่าซ้อมตายแล้วก็เห็นร่างเรานี่มันค่อยๆเน่าเปื่อยไปอาตมาพูดถึงวิธีการเหล่านี้ไว้ไว้ค่อนข้างจะละเอียดในหนังสือนะรา ล, ลึกถึงความตายสบายนักนะแต่ว่านอกจากการทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันก็เราจะใช้โอกาสต่างๆเป็นเครื่องพิจารณมรอางนัะสติได้เช่นเวลาเราจะเดินทาง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 ถ้ากูเป็นหัวงานก็จะออกมาตอนนั้นนะมันก็ทําให้เรารู้ว่ามันมันมีอะไรที่เราจะต้องเข้าไปศาสสางเพื่อให้ใจของเราเนี่ยพร้อมจะจากไปได้ในทุกเวลามีเพื่อนบางคนเนี่ยมีเพื่อนคนนึงเนี่ยแม่เป็นปาร์กินสันนะก็เป็นมา20กว่าปีนะเวลาลูกเนี่ยลูกเนี่ยชอบไปต่างจังหวัดไปสัมมนา เวลาไปสัมมนานเนี่ยลูกนี่ก็จะกังวลมากเวลามีเอ s เอมอสมาที่มาที่มือถือเนี่ยจะไม่กล้าเปิดเพราะกลัวว่าจะเป็นข่าวแม่เสียชีวิตนะและห่อยครั้งเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่จะจากไปเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่ลูกสาวจะเดินทางเนี่ยก็จะมีเรื่องระห้องระแหงกับแม่เพราะแม่เนี่ภากินสันเนี่ยจะจะทำอะไรงงวยเงิ น, ง น, งนแม่บางทีลูกก็โมโหนะ เป็นต้นบางทีจากลากันก็จากลากันด้วยความสุขที่ไม่ดีเสร็จแล้วก็มานั่งเสียใจปสัมมนาก็ไม่เป็นอันสัมมนานะเพราะว่าสัมมนาต่างแยกวัดก็ไม่รู้ว่า